ถ้าเท้าสักกาเนี่ยท่านจะเป็นไว้ทยาวจารณ์ของพอะระอริยทั้งโลกให่นไหมท่านจะโอไม่ได้ให้สังเกต ด, ดูไหมที่ว่าตอนที่ท่านพระมหาสิวเะเถระที่ท่านชำนาญมากวันหนึ่งสอนวันละสนะิบแปดคณะสอนไม่มีเวลาหยุดเลยใช่ไหมสอนพระจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สามหมื่นลูกใช่ไหม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 กลับจากบิณทบาตตอนล้างบาทไม่วางแล้ตอนฉันก่อนฉันเนะ่ยไม่วางฉันเสร็จนะ่ยไม่วางเข้าห้องน้ำเหมไม่วางออกจากห้องน้ําไม่วางอขอยุ่งเลยตอนปฐมยามก็ไม่วางมัจฉิมยามแม้ปัจฉิมยามก็ยังมีคณะรอจ้องเรียญสรุประวันถ้าคืนสิบแปดคณะก็นอนน้อยมาแกทากิจในการเป็นอาจารย์อยู่ชํานาญมากชํานาญคําสอนมาก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 มากราบกราบมาเหาะนี้ตัวหน้าตัวตาว่ามัวแต่เพลินสอนจ้าบ้านอยู่นี่แหละสรงพวกนี้โอ้โหใจใจใจแทบขาดเลยเนะี่ยคิดในใจว่าเออไม่ได้เรื่องแล้วเนะี่ยแสดงว่าท่านมาเตือนเราแล้ ว, ลวท่านมาเตือนแล้ ว, ลวก็เลยคิดว่าเดี๋ยวปัะชิมมยามสอนคณะสุดท้ายเก็บบาตเก็บอะไรเสร็จก็เดินตามไปเลยไม่มีเคยรู้เลยอย่างเราไม่น่าจะเกินสามวันบรรลุเนี่มาน้าไหม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 ก็เอาปอเอาเอาเขียบไม้ไท่านใช้ไม้เจาะเจาะหนังใช้เชือกร้อยมัดมัดเท้าไม่ให้มันแยะอย่างนมัดมัดมัดแล้วก็เดิไม่ยอมนอนนะไม่ยอมนอนเดินอยู่รู้สึกพรรษาที่ยีบก้าร้องไห้ร้องไ ห, ห้โหเไม่ได้บรรุ่ที่ไหนได้ยังไม่นึกว่าเดตนเองฉลาดขนาดนั้น พอร้องไห้อยู่นั่นเทวดาเสียงร้องไห้ดังขึ้นไงเด็กก็เลยไอ้ใครร้องยมมาร้องไห้กห็ถามเป็นใครโอ้เทวดาวเธอร้องไห้เพื่อที่มันจะได้สักมกักสองมักก็เลยร้องดูมัง <c oughs> <c oughs> โอหเห็นไหมเนี่ยนึกโอ้ตายแล้วเรานี่ยให้เทวดายัางย่อเยอ้ย ในภาษานัา้นน่ะท่านก็ลดความเพียนท่านน่ะแล้วก็ท่านก็คลายท่านก็ตั้งอินทรีย์ได้และในส่วนจริงท่านก็บรรลุพอบรรลุเบลเศร็จเนะ่ยพระที่เป็นพระทหารตั้งสามหมื่นรูปก็จ้องกันมามดเลยมาจะมาล้างเท้าให้อาจารย์ท่านก็บอกคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องเห็น ไ, ไหมอาจารย์ไม่ได้อาบน้ํามาทั้งสาเดือนเออตั้งสามตั้ง30ปีแล้วแล้วก็ไม่ได้ล้างเท้ามาทั้ง30ิปีแล้วว่างั้นอย่าเข้ามาใกล้ว่างั้น ทางใครก็ไม่ยอมกันในขนาดชุลมุลนแตเท้าสกาวมาแล้วเท้าสกาวมาไม่มามากับภรรยานางสุชาดานี่แหละแล้วก็ตะโกนบอกว่าผู้หญิงมาผู้หญิงมาพาทต้องแหวกใช้ภรรยานำหน้าพระต้องรีบหลีกทางให้มาเป็นเสร็จเธอทา่านก็อ้าวท้าโกสีมหาบพิษตามธรรมดานี่เทวดาห่างไกลมนุษย์ เราร้อยโยอดก็เหม็นอย่า ง, งเอาสุนัขผูกไว้ที่คอมไม่ใช่หรือแล้วท่านไม่ไมมอาดามาไม่ได้อาบ น, น้ําเลยโอ้โหเขาบอกว่ากินศีลไงเนี่ยกิน่นศีลโ๊บพระอย่างพระคุณเจ้ามีแต่คนอยากจะเป็นไวยาวัยเยาวช น, นใช่ไหม <c oughs> เข้ามาก็มาจับเท้าลางเท้าก็หายทันที <c oughs> เห็นไหมกิน่นศีลแรงมากแม่นเทวดาเทาวดาก็ กนินีเราก็ลองทำให้เทวดามาหาเงินบางใช่ไหมเท้าเทวดามาอุปถากเลยเนะนี่ยคือกินศีลแหลงมากสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชีวะทั้งสมตัวเหล่านี้เป็นเจตสิกศีลทีนี้ในด้านของสัมมาวาจาเนี่ยเป็นสภาวะเป็นธรรมที่งดเว้นจากวจีทุจริต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 แล้วก็เจตนาสัมมาวจาแระก็วิรัติสัมมาวจาถ้าคถาสัมมาวจาเนี่ยเป็นการกล่าวดีที่เป็นไปกับกุศลไหมเป็นตัวนั้นเป็นกุศลเป็นประธานไปตัวกุศลจิตุบาทเป็นประธานไปแต่ถ้าหากเจตนาสัมมาวาจาก็เป็นการตัวเจตนามาเป็นตัวจัดแจงใหนการกล่าวดีไปเพราะเจตนาเจสิกก็เป็นการจัดแจงในการกล่าวดีเป็นศีลได้ใช่ไหมแต่ถ้าวิรัติสัมมาวจาตัวเนี้ยอันนี้หมายถึงตัววิรัติเลย เป็นกว่าที่เป็นตัวงวดเว้นเป็นธรรมที่งดเว้นเป็นสภาวะที่งดเว้นเลยฉั้นกรณีอย่างเงี้ยถ้าถามบ อ, อกว่าถ้าต้องการสืบค้นเอาลายละเอียดจริงๆเ่ยก็ต้องแยกตรงนี้ต้องแยกส่วนสัมมารกรรมตะท่านก็แยกเป็นเป็นเกี่ยวในเรื่องของเจตนาสัมมารกรรมตะนี้เหมือนกันแต่เดี๋ยวค่อยดูในรายละเอียดส่วนสัมมาชีวะนี่แหละที่จะกล่าวหน้าที่นี้ก่อน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 ต้องมีอาชีพฮะ อ, อยู่บ้านได้ทำงานไหม น, นั่นแหละก็งานบ้านไงก็เป็นอาชีพมีไม่ไม่ไมีอาชีพ ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่ได้ต้องมีต้องมีอาชีพทุกคนมีอาชีพนะฉะนั้นอยู่บ้านเนี่ยคนเรามีอาชีพตั้งเยอะเอาอย่าง ดรรดาเนี่ยอยู่โรงเรียนก็เป็นอะไรเป็นอาจารย์สอนใช่ั้ยอยู่วิัลก็เป็นอาจารย์สอนเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยกับมาบ้านก็เป็นอาชีพเป็น เ, เป็นแม่บ้านไปเป็นคนกวาดบ้านไปคนถูบ้านไปอย่างนี้เป็นต้นก็คนมีอาชีพนะทีนี้อาชีวะปริสุทธิ์ีเนี่ยเขาห้ามอะไรค้าขายมนุษย์ค้าขายยาพิษ ค่าขายน้ำเมาค่าขายสัตว์เป็นแล้วก็ค่าขายอาวุธด้วย้วค่าขายอะไรเห็นั้ยลักษณะนี้เป็นมิจฉาอาชีวะอันนั้นท่านวางเป็นหลักปฏิบัติเข้าไว้แบบเป็นเป็นข้อมูลคร่าวๆเนี่ยแต่ประเด็นของสัมมาชีวะเนี่ยให้สังเกตต้องเว้นจากอะไรเว้นจากกายะทุจริตสามวัจจทุจริตสี่ที่เกี่ยวกับอาชีพ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 ใช่ไหมแต่ทำไมเดินมิาชอาชีวะได้เนี่ ย, ย, ย, ย ไ, ปไปกินอาหารเนี่ยจะลงไปทานอาหารกันเนี่ย<ท>ใช่ไหมฉะนั้นในกรณีอย่างเงี้ยคนยกอาหารมาสมมติยกตักอาหารให้ใจก็เป็นทุกข์นึ่ใช่ไหมโอ้โหตัก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 เราจะได้รู้สักทีว่าเราเนี่ยเป็นผู้เดินกุศลศีลได้หนาแน่นมากแล้วคู่ควรจะที่เชิญอริยมรรคม า, มาประชุมในกระแสะชีวิตได้แล้วได้ยังตอนนี้ถ้าเรารู้จากศีลจริงๆเนี่ยเราไม่กล้าเอามรรคมาล ง, ลงมงคนปรับเคยเห็นสนามอ้าวสนามบินสวรรณภูมิเนี่ยถือว่าเครื่องบินขนาดใหญ่ลงได้ใช่ไ้ย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 ที่ใครเข้าห้องกรรมฐานออกมาก่อนออกมาก่อนมาจัดลานจอดพอที่ปักทีะทําใหม่เขาจอย่างเดินออกมาก่อนปรับพื้นที่ใหม่ไม่ไห ว, ไไหวถ้าเป็นนักคํานวณ น, นักก่อสร้างเนี่ยเขาปรับแล้ะเจ๊งเลยแบบนี้นะเจ๊งใช่ไหมปรับเยอะเนื้อาจะสร้างตึกร้อยชั้นเนี่ย แต่วางเสาเข็มวาเดียวร้อยชั้นนะตึกร้อยชั้นนี่นะอรีย์มัสเนี่ยสูงกว่าร้อยชั้นโพธิปกักษิธรรมสามสิเจ็ดประการเนี่ยนี่เราเดินกุศลศีลอ่อนแอมากๆต้องใช้คําว่าอ่อนแอมากๆช่วยไปสกิดออกจากห้องกรรมฐานมาฟังเรื่องศีลหน่อยได้ไหมบอกคุณรู้จกักศีลดีเลยเนี่ไปสะกิดออกมาก่อน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 อันนี้เรื่องจริงั้ม <Okay. S 1> มันเรื่องจริงอมาพูดเนี่ยจะได้เป็นข้อส ก, กิดเราจริงๆเนอะศีลเดินให้ชัดในชีวิตจริงบางทีเราหลุดลุยกันจนไม่รู้จะหลุดยังไงใช่ไนี่ลองใครพูดไม่ถูกใจนิดเดียวหันควับเลยบอกมาฟองทาด้วยนะนะจ <c oughs> <c oughs> มาต้องดูที่ใจ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 ที่น่าเป็นห่วงสัมมาชีวะเสียเยะนี่ที่ยกให้เห็นเนี่ยตัวสัมมาอาชีวะเนี่ยที่เป็นไปกับกายทุจริตวจีทุจริตเพราะกายวาจาและใจต้องสะอาดมันเป็นผลปรากฏของศีลเดี๋ยวได้ไปดูเหตุกล้ไปดูรักดูลักษณะดูกิจดูผลดูอาการปรากฏเหตุการ์เหตุกลร์ของศีลมันจะได้ชัดมันจะไปศึกษารายละเอียดที่ต้องต้องดูรายละเอียดทั้งหมดเลยนะศีลเนี่ยถ้าไม่ดูรายละเอียดของศีลทั้งหมดเนี่ยเราจะเราจะเดินไม่ได้ในชีวิตเนี่ย เพาะชีวิตจริงๆในการที่เราจะเดินกุศลศีลให้คิดดูนะพระบรมสัทท์ศาสดาเนี่ยกายกรรมของพระธเจ้านั้นมีพยานนําหน้าวาจีกรรมก็มีพยานนำหน้ามโนกรรมก็มีพยานนําหน้าพยานของพระเจ้าเป็นไปทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหมดเลยฉะนั้นแปลว่าอะไรพระองค์เดินกุศลศีลมาอย่างยาวไกลเนี่ยยี่สิบประสงค์ขายยิ่งโดยแสนกลับอย่างเราเนี่ยไม่ต้องเห็นไหม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 สัมมาวาจาสัมมากรรมติตาสัมมาชีวะนี่ตัวจิตวิตรตีความไม่โลภเห็นไหมความไม่โลภเป็นอโลภะความไม่โกรธเป็นอโทษาแล้วก็ตัวปัญญาเห็นไหมเดี๋ยวจะไปไขควร น, นี้ไม่ทันเรื่องจะได้เชื่อมให้ดูว่าจริงๆแล้วเชื่อมโยงให้เห็นว่าตัวปัญญามาเป็นศีล ย, ยังไงมันจะได้ว่ามันเกี่ยวกับการวิจัยมันเกี่ยวเรื่องความรู้มันเกี่ยวเรื่องการรู้เรื่องกรรมผลของกรรมชัดเจนขนาดไหนไม่ใช่ว่าโอ้โหถ้าเราถามว่าปัญญามาเป็นศีลอย่างไง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 แต่ที่แน่คือความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาเกิดพร้อมกับเจตนาศีลไหมพร้อมไม่พร้อมถ้านในขณะที่เจตนาอยู่ในกุศลจิตตบปบาทตอนนั้นมีความไม่โลภอยู่ด้วยไหมมีความไม่โกรธไหมถ้าเป็นญาณนะสัมบยศมีความไม่หลงอยู่ด้วยไหมเห<ม> <He ard S 2> ็นไหมเขาเกิดพร้อมกันเจตนาศีลกับเจสิกศีลเนี่ย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 นี่ลำมองเห็นเนี่ยว่าบางอย่างว่าพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเจตนาด้วยความหมายเนื้อความที่ว่าในการใดเจตนามีความวิเศษยิ่งกวิรตีอันเป็นปฏิปักษ์ต่อปนานปฏิบตัติเจตนาเป็นปฏิปักษ์ต่อเจตนาที่เป็นไปในกุศลนะถึงจะเป็นปฏิปักษ์ต่อปานปฏิบัติถึงจะเป็นปฏิปักษ์ต่ออธินาทานการเมตสุมิชฌาจารถึงจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการกล่าวเทศพูดคาหยาเพื่อเจือเพื่อพูดสอเสียด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 อ้ญาตกระสีนี่ยังไงญาตินี่เป็นเหตุให้ทุ่ศีลได้ไหมอาญาตเป็นเหตุถึงทุ่ศีลอาญาตททำผิดจริงๆแต่ต้องไปโกหกบนศาลแต่ถ้าโกหกแล้วญาติจะจะไม่ติดคุกจะเอาศีลหรือเอาญาติจริงหรือเขาเคยไว้ใจทาเอาขนาดนั้นเลยหรือจะได้โมทนาเอามามรนาจริงๆนะ ถโมทนาไปแล้วทําไม่ได้เดี๋ยวยุ่งนะฮะได้ไม่ได้ได้ยิงเลยโมสาธุเลยทั้งนั้นนะสาธุเลยใช่ไหมนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะอ้าเดี๋ยวขยับขึ้นมาอีกนิดถ้ารักษาศินแปดเนาะคุณหมอก็กบอกว่าเออต้องทานข้าวตั้งแต่เที่ยงไปนะถ้าที่ท้องไม่มีอาหารนี่เดี๋ยวกระเพาะเล่นงานใช่ั้มเป็นโรคกระเพาะเดี๋ยวกระเพาะทะลุเนี่ย จะเอาเอาไวะหรือเอาศีลนะ เ, เอากับเอาเอากระเพาะไว้หรือเอาศีลไว้ฮะเอาศีลไว้กลัวจะบอกโอ้ยเดี๋ยวเราทํากระเพาะให้ดีแล้วรักษาศีลได้อีกนานนความคิดแบบเนี้เยอะใช่ไหมความคิดอย่างเนี้เยอะเอาศีลไว้เพราะกระเพาะนี่ทะลุมาหลายสังสารวัตแล้วา <laughs> ไม่ทาอะไรมันก็ทะลุเชื่อเหรอ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 แต่ไม่พยายามทำศีลใน้เท่าพานนแล้วจะได้ไหมดีแต่อยากใช่ไหมแต่ไม่ทำใช่ไหมดีแต่อยากแต่ไม่ทำนั้นต้องทำใช่ไมแต่นี้ก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงอวัยวะแล้วใช่ไหมก็เอาศีลมาชีวิตอะไรต่เนี้ยเอาบางคนตายจริงๆนะบางคนต้องต้องตายเพราะว่าเพราะว่า โอ้โหกรณีอย่างโรคบางโรคเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับศีลเลยหรือหรือกรณีที่จะต้องถูกประทุษร้ายอะไรต่างๆให้สังเกตดูนะที่พระเถระไงที่ท่านบวชใช่ไหบวชมาเป็นเสร็จ ท, ท, ท่านทิ้งทรัพย์ไว้4ี่สิบโกดโกดละส0บล้านเห็นไหมท่านทิ้งต่อมาภรรยาของน้องชายก็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 รักษาจนคิดแล้วเกิดปลาโมดปีติได้นั่นแหละอันนี้สงคนชัดแต่แสดงให้เห็นชัดว่าต้องมีความรอบรู้จริงๆใช่ไหมถึงจะยังปลาโมดปีติประสัทธิความสุขและในที่สุดจริงๆท่านได้บรรลุทันอย่างนี้นะอันนี้มาเพราะสีแล้วเยอะหมดเลยเรื่องสีน่ะเดี๋ยวไปตามดูเถอะว่าท่านคร่ควรกันมาอย่างไงนี่สมควรก่ เ, กเวลาแล้วเนา ะ, ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันกน